ท่านธรรมยางอริยทั้งทิกมขปาทั้งธนามาเตยอายเมวะอริโยะทั้งทิกโกมะโกหนทางนี้แหละเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปดเลยาทิทาง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวายางการตูดจ้าชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะ เรียงชีวิตช่องสมมาวายาโมลความภาคเปลียนช่องสมมาสาติความรักดีช่องสมมาธรรมดความตั้งใจมั่นช่องปัจจมาจะพิเทเวสมมาทิติดูปานเป็นสูขทั้ทงหลาย ความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายังโพ้ิีคเวทุกเขยานังดูก อ, อนพิสุทัมหมายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกทุกตาสมุทเยยานังเป็นความรู้ในเหตุใหเกิดทุกทุกกานิโรเทยานัง ความรู้ในความดับแห่งทุกข์ลมกานิโรธภามิมิยาปฏิปทาญยาณยาังเห็นความรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์อายางวุจจิพิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนพิส่ทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบ กาตจามัจะพิขเวสัมมาสังกปรสูก่ก่อนพิสุทั้งหลายความดำริเชอบเป็นอย่างไรเล่าในกรรมาสังกปรความดำริในการออกจากกรมอาภยาปาทังกัปโผความดำริในการไม่หงุงไร้ อาวิงตาสังกับโพความดำรีในการไม่เบียดเบียนอายาังวุจาติปิกะเวสัมมาสังกับโพถูก่อนพิกษุทั้งร้ายอานที่เรากล่าวว่าความดํารีชอบกระมาจะปิกะเวสัมมาวาจางถูก่อนพิกษุทั้งร้าย การพูดจะชอเป็นอย่างไรเล่าโมุาวาตาเวรมณีเจตนาเป็น เ, รนนเนครื่องเว้นจากการพูดไมจ่จริงสิสุนายาวาใจยเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดอเสียดอรารุทัยยาวาจยาเวรมณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดยาสัมปาปาลาปาเวรมณนีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้ออายังอุจจติปิกเวสัมมาวาจางดูกรพิสูจทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการพูดจะจบ ปาตะมัวจะพิขเวสัมมากัมมันโตถูกก่อนพิกษูทั้งหลายการทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าปานาิปาตาเวรมะนีเจตนาเป็นเครื่องเวนจากการฆ่าอาทินาทานาเวรมณนี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ไห้แล้วกาเมสุมิจ า, จาราเวร ม, มณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการปราพรืฤฤ้อิดในกรรมทั้งหลายอายังอุจจติพิกขเวสัมมากรรมมันโตสูก่อนพบิกสุทั้งหลาย อันนี้เราล่าวว่าการทำการงานชอบการโมจจพิขเวสัมมาอาจิวะดูก่อนพิสุทั้งหลายการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเล่าพิดาพิขเวอาิยาสาวะโกดูก่อนพิสุทั้งหลาย อาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เมจ้าอาชีวังปะหายาระกาาเลียงชีวิตทีบิดเบียธรร ม, มาอาชีเวนอชีวิกังกับเปติยอมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ อาญาโมจติปิกเวสัมมาอาจิโวดูก่อนปิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการเลี้ยงชีวิตชอบอาตมโอจติปิเวสัมมาวายามุดูก่อนปิกษุทั้งหลายความภาคเพียนชอบเป็นอย่างไรเล่ายีตาปิกเวปิกุ นุก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อานุปปันนานังปาปการนังอคุสลานังธรรมานังอนุปาทนตายังกันตังจันติติวายามติวริยัอาราปติเจตังปะกันหาติปทาติ ยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามประรบความเพียรราคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอากุโสลาธรรมอันเป็นบาป ท, ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นโอปันนานังปาปกานางังอกุสลนานังธรมานาังปะานายะจันตังจนเนติ วายามาติมิริยังอาราปาติเจตังปะกันหาติปะท า, าติยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามละรคความเปียนระกองั้างจิตไว้เพื่อจะละาอกาุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว อานุปานานังกุสลานังธรรมานังอุปท า, ายะจันังจาเนติวายามาติวิริยังอาราบิติที่ตั้งปักันานาติปทฏาติย่อมทางความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามป ร, รารบความเพียนปรากองตั้งจิดไว้ เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นโกปัานานังกุาลนานังธรรมนานังกิติยาอาัมโมทายายิโยภาวียาเวภุระยาอวานายาปาริภุริยาจันทังจะเนปิวายามาติ เปรียบอาราปติยีตังปากันหาเทปะทาติย่อมทาความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปราโรคความเปียนาการคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลื่อเลือนความมอบงามยิ่งขึ้นความไปบุญความจริญ ความเต็มรอบแห่งกุศลละธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอายังอุจจติภิกขเวสัมมาวายามุนดูก่อนพิสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความภากเพียรชอบกาธรรมาจะภิกขเวสัมมาสติดูก่อนพิสุทั้งหลาย ความน่าลึกย่อเป็นอย่างไรเล่ามีตาพิขเวพิกุกรูปคอนมพิสูทั้งหลายพิสูในธรรมาวินัยนี้กายเยกายานุปัชชิวิหรติย่อเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปัญโาสติมา วินัยโลเกอภิชาโทมานัสังมีความเปลี่ยนเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถ อ, อนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเพียไ้เวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหรารติ ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจําอาตาปิสัมปชาโนสติมาวิเตยโลกเกอภาิชาโตมานั ส, สังมีความเพียนเครื่องเผากิเลสมีสัมปัญญามีสติ ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเสียได้จิตเตจิตานุปนสิวิหรารติยอมเห็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาบิธัมปัาโนสัติมาวิทยาโลเกอ า, า, าิัาโนมานัสางมีความเลี่ยนเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของ เ, เสียได้ตามเมธะตามานุปัสสิเวารติชอบเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจําอาตาปิสัมปชานสัติมา วีไยะโรเกอภิจาโตมณ้สสังมีความเพียงเครื่องเผากิเลสมีสัมปทานยามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเสียได้ห า, ายังวจุจติพิกเวสัมมาสติดุขอนติษุทั้งอาย อันนี้เราเกล่าวว่าความรลลึกชอบขาทโมจะพิกาเวธรรมาสมาธิดูก่อนพิสุทั้งหลายความตั้งใจมันชอบเป็นอย่างไรเล่าจิตาพิกาเวปิกูดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี่ วิวิเชวกาเมหิสะอาดแล้จากการมทั้งหลายวิวิชาอาุสเลหิธรรมเมหิสะอาดแลจากธรรมที่เป็นอาคุศลทั้งหลายสาวิตากังสวิจารังวิเวกจังปิติสุขังปะทมางจานังอุปัสสปะจามิฮาระติ เข้าถึงปฐมฌานประอบร้วยวิสุกวิจารมีปิติและสุขันเกิดจากวิเวกแล้วแลวอยูเวตากวิจารานังหมู่บสมานัเพราะความที่วิสุกวิจารทั้งสองระงับลงอา่จะตังสัมปชัญญะนังเกตดสุนเจโกธิภาวัง อาวิตาคังอาวิจารังสม า, าธิจังปิณิสุคังทุติยังจานังอุปสัมปชาวิหรารติเก้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องของใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกกุธทธิขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ มีแต่ปีติและสุขันเกิดจากสมาธิแล้วแยอยู่ปีติยาจะวิราคาอาหนึ่งพราะความจางหายไปแห่งปีติูุเปคะโคจาวิหารติสาโทจะสัมปชาญโญชอบเป็นผู้อยู่เบคกบางมีสติและสัมปชัญญะ สุขัญจากาเยนปฏิสังเวเตติและย่อมเสวยความสุขง้วยนามกายยานตาหาริยาอาจิคันดิภูเปคนขโกสัติมาสุขวิหารีติญาณิทิพระอาริยเจ้าทั้งหลายยอ่อมกล่าวสรรเสินผู้นั้นว่า เป็นผู้อยู่เบิกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้สาติยังจานังอุปสัมปจาวิหารติเก้าวถึงตาติยาชาแวลวลอยู่าสุคัสสจารปาณานเพราะลสุขเสียไดย้าสุขัสสจ โมนัสานาังอัตักามาเพราะความถับไปแห่งสโสมนานัสและสโสมนัสทั้งสองในการก่อนอาตุกามาถูขังอุเบกขาติปาริสุทิงยาตุทั้งจานาังอุปัตตมปชาวิหารติเข้าถึงจตุสจานไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อายังอุจจติภิกเวสัมมาสมาธิสุก่อนพิสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมั่นชอบ